จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผูบาศกภูบาศิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่กุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง0ันห้าห้าสเป็นวันที่ท่านได้แบ่งเวลามาทำสิ่งที่ เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของตนเองมากระทำความดีเพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีความเจริญความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการกระทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ทำเช่นให เสียสละให้มีความเมตตาให้มีความการุณาให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้มีไมตรีจิตต่อเพื่อนสัตว์รวมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานเพราะคนเราทุกคนสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้ปรารถนาความสุขปรารถนา ความมัยตรีจิตของของเพื่อนร่วมโลกด้วยกันทั้งสิ้นเวลาที่ได้รับมัยตรีจิตจากกันก็จะมีความสุขใจเราจึงควรที่จะให้ความเมตตาต่อกันและกันไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม ขอให้เราคิดว่าเป็นเพื่อนเดินทางกันชีวิตของเรานั้นเป็นการเดินทางจากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่งจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งจะต้องฟันฝ่าความทุกข์ความลาบากต่างๆมากมายแต่ถ้าทุกคนมีมัตรีจิตมีความปรารถนาปรารถนาดีต่อกัน เวลาเจอกันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันถามถึงสารทุกข์สุขดิบมีใครมีปัญหาอะไรมีความลำบากยากเย็นอย่างไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้พอที่จะสงเคราะห์กันได้ก็ทำกันไปเมื่อทำแล้วก็จะทำให้มีความสุขทั้งสองฝ่ายผู้กระทำก็มีความสุข ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือก็มีความสุขโลกของเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุขจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องหวาดภาวะเกี่ยวกับภยัยอันตรายต่างๆแต่นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากจิตใ จ, จของคนเรานั้นขาดแสงสว่างแห่งธรรมขาด ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาเพราะความหลงทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความต้องการเลยลืมมองถึงคนอื่นไปมองว่าตัวเองต้องการอะไรก็ต้องแสวงหามาให้ได้ไม่ว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น หรือไม่ก็ตามแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาทักทายมามาแสดงไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์ mm. เพื่อนสัตว์เพราะมัวแต่สแสวงหาความสุขสแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองจนลืมมองคนรอบข้างไปเลยทำให้สังคมเป็นสังคมที่ ร้ายความเมตตาเป็นสังคมที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นสังคมที่แข่งแย่งชิงดีกันเพราะเมื่อมีความอยากแล้วก็จะต้องเอามาให้ได้แล้วเมื่อมีผู้อื่นก็อยากในสิ่งที่เราต้องการก็ไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีกันแข่งขันกันต่อสู้กัน ดีไม่ดีก็มีการทะเลาะเบาแวงมีการทำร้ายทำลายกันเพราะขาดความเมตตานั่นเองถ้ามีความเมตตาแล้วถึงแม้เราจะมีความต้องการอะไรเวลาเราสแสวงหาเราก็สแสวงหาด้วยความเมตตาคือถ้ามีผู้อื่น ต้องการสิ่งเดียวกันก็สามารถตกลงกันได้ตั้งกฎกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้แล้วก็ทากันไปถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปหาอย่างอื่นแทนก็ได้ถ้าอย่างนี้สิ่งนี้เขาต้องการจริงๆเราก็เสียสละ การเสียสละนี้แทนที่เราจะเสียเรากลับได้เราอาจจะเสียสิ่งที่เราต้องการไปแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือความดีงามทำให้เราเป็นคนที่น่าเคารพเลื่อมใสคนที่เสียสละได้นั้นเป็นคนที่อยู่กับใครก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่คนที่เสียสละไม่ได้ มักจะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่นเพราะต้องการสิ่งที่ตนเองต้องการต้องการจะทำในสิ่งที่ตนเองต้องการจะทำโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นโลกเราจึงเป็นโลกที่เป็นไปได้สองรูปแบบด้วยกัน เราสามารถอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้กันหรือเราจะอยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่กันอย่างเดือดร้อนถ้าเราเอาใจเราเป็นที่ตั้งเราต้องการอะไรเราก็หามาโดยที่ไม่คำนึงว่าการหาของเราจะไปสร้างความเดือดร้อน สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเพื่อไม่ดังนั้นเราจึงควรเห็นความสําคัญของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะทําให้เราไม่เจริญอันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความจริงเพราะว่าการกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น จะทําให้เราทุกคนเจริญร่วมกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ปฏิบัติทาหน้าที่ของตนเองแล้วถ้ามีผู้อื่นที่เดือดร้อนที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เราก็มีความกรุณาช่วยเหลือกันไปเพราะคนเราทุกคนนั้นมีความสามารถแตกต่างกันมีบุญวาสนาบารมีมาแตกต่างกัน คนที่ได้บําเพ็ญบุญบา ร, รมีวาสนามีวาสนามากมาก็จะเป็นคนที่ทํามาหากินได้สะดวกสบายร่ํารวยได้อย่างรวดเร็วแต่คนที่ไม่ได้บําเพ็ญบุญบา ร, รมีไม่มีวาสนาก็จะลําบากลําบนและถ้าไปทําบาปทํากลับมาในอดีตก็อาจจะต้องมีความ บกพร่องทางร่างกายเป็นคนพิกลพิการหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากอดีตที่ทำมาแล้วอดีตนั้นเราก็ย้อนกลับไปไม่ได้จะไปลบอดีตเพื่อที่จะทำให้ปัจจุบันนี้มันดีมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำปัจจุบันให้ดีได้ก็คือเราต้องช่วยเหลือกัน ต้องมีความกรุณามีความสงสารต่อเพื่อนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคิดว่าถ้าเป็นเราเราก็จะลำบากลาบนเหมือนกับเขาแล้วถ้ามีใครได้มีความกรุณามาช่วยเหลือเราสงเคราะห์เราให้เราได้อยู่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง เราก็จะมีความชื่นอกชื่นใจมีความสุขนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีบุญวาสนาบารมีเราอยู่ดีกินดีเราก็ไม่ควรลืมคนที่เขาไม่มีวาสนาบารมีคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะการที่ช่วยเหลือกันนี้เป็นการสะสมบุญบารมีไปในตัวด้วยนั่นเอง การช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเมื่อถึงเวลาผลที่จะเกิดขึ้นมันก็จะกลับมาหาเราเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากมีความเดือดร้อนก็จะมีผู้ที่มาดูแลมาช่วยเหลือเราดีกว่าหัวเงินหัวทองเก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เสียดายกลัวจะหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงๆเพราะแกตายไป ก็ทิ้งให้คนอื่นไปทำอย่างนี้ไปข้างหน้าก็จะไปแบบลาบากลาบนไปแบบไม่มีอะไรรอรับเราอยู่เพราะเราไม่หวานพืชไว้ในปัจจุบันนี้เองเหมือนกับชาวนาชาวไร่เมื่อถึงเวลาที่ต้องปลูกปลูกปลูกพืชพันธ์ต่างๆแต่มีความเกียดคร้านหรือมีความเสียดายในเมล็ด พืชพันธ์ต่างๆไม่ยอมเอาลงดินไม่ยอมปลูกเอาไปขายกินเสียหมดอย่างนี้พอถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวเวลาที่พืชพันธ์ต่างๆจะออกดอกออกผลก็จะไม่ได้มีดอกผลออกมาให้ได้เชยชมให้ได้มาใช้มาสอยมากิน เพราะว่าไม่ได้หวานพืชไว้นั่นเองฉันใดการทำบุญการทำความดีต่างๆนั้นก็เป็นการหวานพืชเพื่อผลที่จะรอเราอยู่ข้างหน้าในภพหน้าชาติหน้าและเพื่อความสุขในปัจจุบันด้วยเพราะการกระทำความดีการมีความเมตตาการุณาการได้ช่วยเหลือผู้อื่นการได้เสียสละ ทำให้เรามีความสุขใจมีความภูมิใจมีความพอใจไม่หิวไม่กระหายไม่อยากกับสิ่งต่างๆที่ไร้สาระเช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้แม้จะมีได้แม้จะได้มามากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะไม่สร้างความอิ่มสร้างความพอใจให้กับเราเหมือนกับการเสียสละเหมือนกับการมีความเมตตาการุณาตอ่ตอต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันทุกวันนี้ที่เราอยู่ดีกินดีส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราได้หวานพืชไว้ในอดีตนั่นเองในอดี ต, ตชาติเราเคยทำบุญทำทาน เราเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ mm hmm. เพื่อนสัตว์ร่วมโลกเราเคยเสียสละเราเคยทำความดีไว้พอถึงเวลาที่เรามาเกิดชาตินี้เราก็ได้รับอนิสงค์จากการที่เราได้ทำความดีนั้นไว้ทำให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีมีมีสิ่งต่างๆพอเพียง หรือเหลือหรือเหลือเฟือ่อสำหรับบางคนบางท่านถ้าทำไว้มากแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่สวยงามนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำกันขึ้นมาไม่มีใครจะให้ใครได้ของเหล่านี้ซื้อไม่ได้นังที่มีคำพูดว่าความดีซื้อไม่ได้ความดีนั้นต้องเกิดจากการกระทํา ทางกายทางวาจาและทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางใจเพราะใจเป็นใจเป็นนายกายและวาจาเป็นบ่าวจะพูดหรือจะทำอะไรทางกายจะต้องมีใจเป็นผู้สั่งการเสียก่อนใจจะสั่งการได้ไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่มีความรู้ที่ดีหรือไม่ดี ถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็จะสั่งการสั่งการกระทาทางกายทางวาจาไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรที่จะนำผลคือความสุขและความเจริญมาให้ถ้าใจมีผู้สั่งการเป็นผู้มืดบอดเป็นคนตาบอดเป็นผู้เป็นคนโง่ เป็นผู้มีความล่มหลงด้วยความโลภโมโทสันถ้าใจถูกสิ่งเหล่านี้สั่งการก็จะไปทำในสิ่งที่เกิดโทษขึ้นมาเพราะใจเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวคนที่ชอบเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรชอบความเกียดคร้านเหล่านี้ เป็นคนที่ถูกความหลงหรือความเห็นผิดเป็นชอบสั่งการให้ไปทํานั่นเองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นําความสุขมาให้แต่ความจริงแล้วเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความเสื่อมและความทุกข์คนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดมดเท็จ ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นคนที่มีบิชชาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบสั่งการให้กระทำการกระทำเหล่านี้เพราะคิดว่าการกระทำเหล่านี้เป็นวิถีทางที่จะนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งประโยชน์สิ่งที่เราได้มาจากการกระทำเหล่านี้นั้นมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปเราอาจจะได้เงินทองมา เราอาจจะได้เข้าของมาเราอ า, อาจจะได้คนนั้นคนนี้มาแต่สิ่งที่เราเสียไปนั้นก็คือความเป็นมนุษย์ความเป็นเทพความเป็นพระอริยบุคคลเพราะการที่เราจะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพระอริยบุคคลได้นั้นเราต้องไม่กระทําผิดศีลธรรมเราต้องไม่ละเมิดศีลห้าคือ เราต้องละเว้นจากการค่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมานะคนที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบต้องรู้ว่าการกระทำการละเว้นจากการกระทำบาปทั้งห้าประการนี้เป็นวิถีทางสูง่ความ สุขและความเจริญอย่างแท้จริงเจริญที่ใจใจนี้สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดสิ่งอื่นๆจะเจริญมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีผลอะไรกับใจไม่เหมือนกับความเสื่อมหรือความเจริญของใ จ, จใจเสื่อมลงไปมากน้อยเท่าไรความทุกข์ความลาบากความยากเย็นเข็นใจต่างๆ ก็จะมีมากขึ้นตามไปถ้าใจถ้าใจทำความดีมีสัมมาทิฏฐิก็จะพาใจให้ไปสู่ความสุขและความเจริญก้าวน้าใจเจริญเท่าไหร่ความสุขก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นความสุขและทุกข์จริงอยู่ที่ใจเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่ความเจริญของวัตถุเข้าของต่าง เช่นสมัยนี้เราอาจจะว่าบ้านเมืองเราจเจริญกว่าสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีรถยนต์ไม่มีวิทยุโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีตึกรามบ้านช่อ ง, ไ, งไม่มีถตนหนนทางแต่นี่เป็นความเจริญทางด้านวัตถุแต่จิตใจของคนเหล่านั้น กับอยู่ไม่สุขเหมือนกับคนสมัยโบราณมีความทุกข์มีความหวาดภาวากับภัยต่างๆออกไปนอกบ้านก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพหรือไม่กลับมาบ้านก็ไม่ทราบว่าที่บ้านข้าวของยังจะอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่เพราะความเสื่อมของจิตใจของคนนั้นมีอยู่มากทาให้มีการลักทรัพย์ มีการฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาตามที่ปรากฏอยู่ตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เปิดวันไหนก็จะต้องมีข่าวข่าวของการฆ่ากันของการทำลายกันนี่คือผลของความเสื่อมทางด้านจิตใจส่งออกมาภายนอกก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ส่วนผู้ที่มีความเสืวมอยู่ในใจก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจเมื่อทาไปกระทำสิ่งที่ผิดแล้วจิตใจก็มีความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษอยู่ไม่มีความเป็นสุขแต่ในสมัยโบราณสมัยก่อนนั้นถึงแม้จะไม่เจริญทางด้านวัตถุ แต่คนอยู่กันอย่างสุขมีความสบายทางด้านจิตใจจะไปไหนมาไหนก็ไม่กลัวว่าจะมีใครมาทำลายมาป้นมาจี้เวลาไปออกจากบ้านไปก็ไม่ได้ใส่กุญแจไม่ได้ปิดบ้านกลับมาเข้าของก็ยังอยู่ครบทุกอย่างนั่นเป็นเพราะ คนสมัยก่อนเขามีความเจริญทางด้านจิตใจเขามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเขาไม่ละเมิดสินห้าเพราะเขารู้ว่าการละเมิดสินห้านั้นเป็นการทำลายตัวเขาเองและทำลายผู้อื่นนั่นเองแต่เขามีความเมตตากรุณาต่อกันเวลาทำกับข้าวกับปลาอาหารอะไรมักจะไม่ทาเฉพาะที่ สำหรับคนที่บ้านมักจะคิดถึงคนข้างบ้านด้วยเสมอเวลาทำอาหารเสร็จก็แบ่งส่วนหนึ่งไปให้กับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ทำเช่นเดียวกันแล้วก็ทำแบ่งอีกส่วนหนึ่งไว้สำหรับทำบุญถวายพระเช่นตอนเช้าพระมาบิณฑบาต ท, ที่บ้านก็มีแบ่งอาหารไว้สำหรับถวายพระด้วย คนสมัยโบราณเขาจึงอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายอยู่ด้วยความเจริญเขารักษาความเป็นมนุษย์ของเขาได้เขาพัฒนาจิตใจของเขาให้สูงขึ้นได้ให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมให้เป็นพระอริยเจ้าได้เพราะเขาจะมีเวลาที่จะเข้าวัดเข้าวากันเพราะไม่ไม่มีสถานที่ต่างๆที่เขาต้องไปเหมือนอย่างพวกเรา สมัยนี้มีสถานที่ต่างๆที่จะมาคอยฉุดลากให้พวกเราไปแสวงหาความสุขกันโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นการแสวงหาความทุกข์เช่นสถานบันเทิงต่างๆโรงภาพยนตร์โรงนวดโรงโรงสุราแล้วก็สถานที่จับใจขายของฟุ่มเฟือยต่างๆ โรงหนังโรงละครที่มีการสถานที่ที่มีการร้องรำทำเพลงเลยไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดกันถ้าไม่ได้เข้าวัดแล้วก็โอกาสที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นก็จะไม่มีเพราะมีวัดเท่านั้นสถานที่เดียวในโลกนี้ที่เป็นสถานที่ที่จะพัฒนาจิตใจคนให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น เปสถานที่ที่จะรักษาป้องกันไม่ให้จิตใจของคนเราตกต่ำลงไปแต่ถ้าเราไปสถานที่อื่นๆที่เขามีกันทุกวันนี้มักจะเป็นที่ที่จะฉุดลากให้เราลงสู่ที่ต่าเพราะสถานที่เหล่านั้นเวลาเราไปเราต้องมีเงินทองไปเงินทอง แล้วเมื่อเราไปไปแล้วเราก็จะติดนิดสัยอยากจะไปเรื่อยๆไปไปแต่ละครั้งก็ต้องหมดเงินหมดทองไปเป็นจำนวนมากจนในที่สุดเงินทองก็จะไม่พอใช้เมื่อเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจะต้องใช้เงินใช้ทองคืนเขาก็จะไม่มีปัญญาใช้เขาได้ แล้วนอกจากนั้นหลังจากนั้นถ้ายืมกู้นี่ยืมสินผู้อื่นไม่ได้ต่อไปก็ต้องมีการช่อโกงลักเล็กขโมยน้อยจนไปถึงการปล้นการจี้แล้วก็เกิดการต่อสู้กันก็มีการฆ่ากันขึ้นมานี่เป็นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากชีวิตของคนในปัจจุบัน เพราะเรามีสถานที่ที่ชุดลากให้เราไปสู่ที่ต่ำมากออกไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี้มีแต่สถานที่เหล่านั้นทั้งนั้นวัดวาอารามถึงแม้จะมีอยู่บ้างก็แทบจะมองไม่เห็นกันเพราะใจไม่คิดถึงการเข้าวัดเข้าวากันเลยเพราะถูกอํานาจของความเห็นแก่ตัวนั่นมันครอบงําอยู่ทําให้ ความเสียสละนี้ทำไต้ยากถูกอำนาจของความโลภความอยากครอบงำอยู่จึงทำให้ไม่อยากที่จะให้ให้เสียเงินเสียทองกับผู้อื่นไปนะเอาอยากจะเอาเงินทองมาซื้อของที่ตนเองอยากจะได้เอาเงินทองมาใช้ในสิ่งที่ตนเองอยากจะกระทาแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างชีวิตของพวกเรา จิตใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่อยู่บ้านเฉยๆได้หรือเปล่าหรือว่าเวลาอยู่บ้านเฉยๆแล้วมีความรู้สึกหงุดหงิดใจเศร้าซ้อยหงอยหเหงาต้องไปตามสถานที่บันเทิงต่างๆถึงจะมีความสุขถ้าอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับคนติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดนั่นจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมียาเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาขาดยาเสพแล้วจึงหงุดหงิดจะทุรนทุรายจะทรมานจิตทรมานใจถ้าเราอยู่แบบนี้ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ได้มีความหงุดหงิดใจมีความเศร้าซ้อยหงอยเหงามีความทรมานใจแสดงว่าจิตใจของเราเสื่อมลงไปจิตใจของเราห่างห่างธรรมะจิตใจของเราไม่ได้พัฒนา ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการรักษานั่นเองนะดังนั้นขอให้เราคิดถึงจิตใจเราบ้างอย่าคิดไปตามกิเลสคือความโลภความอยากเพราะความโลภความอยากจะเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราขอให้เราคิดถึงการต่อสู้ต่อคิดถึงการชําระกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจเพราะว่าถ้าเราสามารถชำระได้มากน้อยเพียงายแล้วใจของเราจะมีความร่มเจ็นเป็นสุขมากน้อยเพียงนั้นถ้าไม่มีความโลภความอยากความหลงเลยอยู่ที่ไหนเฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องมีอะไรดูไม่ต้องมีอะไรฟังไม่ต้องมีอะไรเคี้ยวเพราะว่าใจไม่ได้หิว ร่างกายก็ไม่ได้หิวร่างกายนั้นเราก็ให้อาหารพอเพียงแล้วกินวันละมื้ออย่างพระนี่ก็อยู่ได้แล้วแต่ที่เรายังกินไม่ได้กินวันละมื้อหรือกินวันละสามมื้อไม่ได้ก็เพราะว่าร่างกายนั้นถึงแม้จะได้อาหารพอเพียงแล้วแต่ใจยังไม่พอเพราะใจยังอยากอยู่ ยังต้องกินระหว่างมือกินข้าวเสร็จไปหยกหยกเดี๋ยวเห็นขนมเห็นน้ำอะไรก็ต้องซื้อมากินซื้อมาดื่มอีกแต่กินอย่างนี้จะทำนี้ไปจนกว่าถึงเวลานอนเท่านั้นถึงจะหยุดรับประทาน mm hmm. แต่ความจริงแล้วร่างกายไม่ได้ต้องการกินขนาดนั้นขนาดนี้เลยจึงทำให้ร่างกายนั้นมีน้ำหนักเกินก็เรียกว่ามีความ มีความอ้วนนะแล้วก็นำมาซึ่งโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะตนเองแพ้อานาจของกิเลส ข, ของความโลภของความอยากนั่นเองแต่ถ้าเราได้หันเข้ามายึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องนำเนินแล้วเราจะมีเครื่องมือไว้ต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลง แล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะถ้าเราสามารถปราบกิเลสได้แล้วเราอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขเราไม่ต้องไปดินน้นหาอะไรมาให้ความสุขกับเราดังนั้นเราจึงควรที่จะเข้าวัดกันอยู่บ่อยๆเพื่อเราจะได้มาทําความดีกันมาพัฒนาชีวิตจิตใจ ของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นเพื่อความสุขที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและความสุขที่จะตามมาต่อไปในรูปแบบของภพชาติที่จะดีขึ้นกว่าเดิมเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่สวยงามกว่าเดิมมีฐานะการเงินที่ดีกว่าเดิมมีสติปัญญา ความรู้ความฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมมีอายุที่ยืนยาวนานกว่าเดิมมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญในปัจจุบันนี้ด้วยการทำความดีเสียสละมีความเมตตามีความการุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีไมตรีจิต ต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันทำอย่างนี้แล้วทุกคนก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทุกคนก็จะก้าวหน้าจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะพัฒนาถึงที่สูงสุดเช่นที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พัฒนาขึ้นไปถึงนะเราก็จะไปถึงจุดนั้นเหมือนกัน สักวันหนึ่งพวกเราก็จะกลายเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากันแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราจะอยู่ในสภาพที่มีแต่บ ร, รมมาสุขเป็นสภาพที่ไม่ไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไ ป, ไปตลอดอนันตการ นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำความดีจากการมาวัดอย่างสม่ำเสมอจึงขอให้เราจงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาจิตใจของเรายิ่งกว่าการพัฒนาอย่างอื่นเพราะการพัฒนาอย่างอื่นนั้นไม่ได้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะไม่ว่าเราจะสร้างอะไรทำอะไรมากน้อยเพียงไร ในโลกนี้พอถึงเวลาเราก็ต้องทิ้งมันไปจากมันไปเราเอาติดตัวเราไปไม่ได้และสิ่งที่เราพัฒนาทำไว้สักวันหนึ่งมันก็ต้องชำรุดสุดโทรมเสื่อมไปหายไปหมดไปดูวัดวาอารามต่างๆที่ถูกสร้างมาในอดีตสมัยสุขโขทยัยสมัยอายุทยาวันนี้เป็นอะไรเหลือแต่ ซากปัาหักพังไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วนี่คือสภาพของความเจริญทางโลกเป็นอย่างนี้มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมหมดไปแต่ความเจริญทางจิตใจถ้าได้รับการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วจะไม่มีความเสื่อมตามมาจะพัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุดจุดของพ่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาุกทั้งหลายนี่คือ เป้าหมายของชีวิตของพวกเราเป้าหมายของการเดินทางอันยาวนานของพวกเราก็คือสู่พระอนิพานสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองด้วยการทาความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราไม่บำเพ็ญเราก็จะดำเนินชีวิตของเราวนเวียนอยู่ภายในความในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในพบน้อยพบใหญ่สูงสู ง, สงต่ำๆเจริญแล้วก็เสื่อมแล้วก็จเจริญแล้วก็เสื่อมไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอให้เราจงเลือกทางเดินที่ถูกต้องคือเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความจเจริญมีแต่ความก้าวหน้าโดยทายเดียวจึงขอฝากเรื่องการมาบำเพ็ญ